ขอความสุขความเจริญทุกท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งทำจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะได้เสนอเรื่องสารีบุตรสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการสรนเสริญระษาลิบุตรโดยพระวังคีสะอีกเช่นเคยอยู่ข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าคราวหนึ่งภาษาลิบุตร พักอยู่ที่ประเชตะวันหลังจากนั้นท่านได้สอนธรรมะอธิบายที่แจ้งธรรมะให้ภิกษุทั้งหลายเห็นแจ้งสมาธานาฐานราเริงด้วยธรรมีคกถาหรวอบาจาที่ไพเราะสละสลวยแล้วก็ไม่เคลื่อนคลาด สามารถที่จะช่วยให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในธรรมะเหล่านั้นคือตามปกติเป็นที่น่าสังเกตว่าพระสมัยนั้นท่านใส่ใจสนใจในการฟังธรรมมากก็เรียกว่าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อก็ยังนึกถึงสมัยที่เป็นนักศึกษาเรียนที่ ตอนนั่งเรียกสภ า, าการศึกษามาอุดราเตือนไหลวิชาพระสูตรเป็นวิชาเดียวที่อามาทำได้ร้อยเอร์เน์ได้ร้อยคะแนนเพื่อนก็งงแต่วิชาอื่นเราก็มันก็เจิงเท่าไหร่เพราะว่าเวลาอาจารย์สอนพระสูตรเนี่ยมันสนุกมันตื่นเต้นมันราจใจแล้วก็ทำให้เราชอบชอบที่จะอา่านชอบที่จะฟัง ก็ไม่ค่อยรู้จักกิมจักเต็มจักเบื่อหรอกแต่ว่าเวลาพระสูจนนี่ก็ให้แค่สองชั่วโมงสองชั่วโมงเรียกว่าเพลินะก็มังเพลินเลยการก็เลิกวันก็ถือว่าเป็นชั่วโมงที่ตื่นเต้นที่สุด่ก็คือวิชาประสูจนก็วิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้มาเรียบเรียงเอกสารแนวนี้ออกมาหลายเล่ม เพราะว่าเราก็ชอบมาตั้งแต่เดิมทุกวันก็ยังชอบอยู่นะฮะรู้สึกว่ามันอยู่อีกโลกหนึ่งคล้ายๆกับเราเข้าเฝ้ากับพระพุทธเจ้าเด็มความสงบเยือกเย็นมันไม่เหมือนกับบรรยากาศการพูดการคุยการสนทนาการประชุมอะไ ร, ะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนๆ ค, ค้างฟุ้งสั้น แล้วก็มีเรื่องต้องคิดต้องตัดสินใจมีปัญหามากยุ่งยากมากแต่เรื่องพระสูตรเนี่ยเหมือนกับเราได้ฟังอยากพระโอดรอ่างกิสาท่านนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ ก, ก็มีความคิดดังนี้ว่าท่านพระสารีบุตรแนะนำชักชวนภิกษุทั้งหลายให้อาฐานเรื่นเริงยทำมีระถา ด้วยภาษาของชาวเมืองสละสลวยมีโทษไม่เคลื่อนคราดอาจยังผู้ฟังให้รู้เนื้อความได้แจ่มแจง้งพิสูจ์ทั้งหลายเหล่านั้นเล่าก็ได้ทำทำนั้นให้เป็นประโยชน์ใส่ใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงเนียโหดลงฟังธรรม อยากกันนั้นเลยเราควรสันเสริญท่านภะษาดิบุตรด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรในที่เฉพาะหน้ากันเถอะท่านก็ลุกขึ้นแล้วก็ทำพระหคมเฉียงบ่าอันนี้เป็นปริยาบทที่แปลกนะก็ยังนึกไม่ออกว่า พระเมื่อก่อนเนี่ยท่านนุ่งห่มจีบอลกันอย่างไงเพราะถ้าว่าตามความเป็นจริงแล้วเมื่อ น, นั่งฟังเทศอยู่อย่างนั้นก็ต้องห่มจีบรลเฉี ย, ยงบ่าอยู่แล้วแต่ทำไมจึงต้องทำจีวรลทำเยียงบ่ามันก็มีการถกเฉียงกันมานานแล้วว่าพระสมัยพุทธกาลห่มจีบอลยังไงทาไมาเองยังมองไปในแนวสารีของแขก ยังมีความรู้สึกว่ามันก็คงจะอยู่ตรงนี้แหละหรือไม่งั้นก็นักบวชฮินดูแต่คงไม่เหมือนกับทุกวันหรอกเพราะทุกวันเราจะเห็นว่าพระแต่ละประเทศที่มาประชุมเทศการวิสาขะแต่ละปีเนี่ยท่านโมิวบอลน้นเือนกันเพราะว่าในวินัยไม่ได้ให้รายละเอียดอาไว้ เลียงแต่บอกบอกว่านุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลอย่านุ่งห่มอย่างชาวบ้านเท่านั้นเองสีที่ต้องห้ามบางอย่างก็ห้ามไว้หกสีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีแสดสีขาวสีชมพูสีดำที่อื่นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ห้ามไว้เท่านั้นทีนี้อียาโบตงนี้ถว่าตั้งข้อสังเกตว่าแปล หรือวยอย่างที่ว่าท่านอยู่ในป่าตื่นเช้าขึ้นมาท่านต้องการจะไปบินธบาต ท, ท่านก็นุ่งแต่สมบงนะฮะไม่มีอังสะพระสมัยนั้นไม่มีอังสะแล้วก็ถือจีวร อ, อุ้มบาตรแล้วก็ถือจีวรจีวรก็จีบๆเข้าไปแล้วก็ถือเดินไปพอถึงเขตป่า ท่านก็บาดวางแล้วก็ขม่มจีวรคลี่จีวร อ, ออกแล้วก็ข่มโอ้โ์ไปบินตะบาดกลับมาเสร็จมาถึงชายป่าท่านก็หยุดเรื่องจีวรนอี่แล้วก็เดินถือไปแล้วก็อุ้มบาดเป็นการท่า น, นอมใช้ก็ยังนึกถึงที่ท่านม า, าจชำระท่านพู ด, ดว่ารายใช้ยก็พยายามท่นุษทนอมใช้ หมายความมาปัจจัยสี่ต่างๆที่เรามีอยู่เราครอบครองอยู่เนี่ยถ้าเรารู้จักธนุถนอมใช้เนี่ยมันก็ใช้ได้นานอย่างตัวอย่างจีวอลพระคือพื้นๆืนงผืนนึงสิบกว่าปียี่สบปีก็มีนะฮะเคิพราะบางองค์ ท, ท่านผาผ้าบางผืนเนี่ยยี่สิบกว่าปี3ามสิบกว่าปีประมันมันใช่แบบธนุถนอม หวเจ้าสอนละเอียดมากในเรื่องการเรเรียกว่าบริขารบริโภคคือการใช้สอยพวกบริขารทั้งหลายท่านก็ทำพระหมอมชีเบี้ยงบ่าข้างหนึ่งนี่ทำให้เข้าใจว่าทาให้สงสัยว่าแล้วตอนนั้นท่านนั่งอย่างไรล่ะพระนมจีวรหรือว่านั่งครุม ผมจะเบียงบ่าข้างหนึ่งเบี้ยงบ่ามันต้องข้างหนึ่งอนี่ยนะแต่เมื่อก่อนหน้านั้นเป็นอะไรหรืออาจจะใช้ธรรมดาเคยไปพระบวชใหม่บวกนักเรียนในร้อยนักเรียนในเรือนักเรียนสี่เหล่าทัพเนี่ยนะครับก็บวชที่วัดแต่ว่าไปอยู่ชี่กิ่งอำเภอเมา จั่งวัดระยองอามาก็ตามแบบรมที่นั่นแล้วบางครั้งเราก็เจอว่าพระแก่ก็อยู่ในถ้ำในะเงื่อมเป็นเงื่อมเป็นภูเขาแล้วเข้าไปในถ้ำพระก็นั่งนุ่งสบงก็หลงสังกติก็นั่งพูดธรมาก็ไป เราก็หมจีวรนะเราก็ห่มจีวรแต่ว่ารู้สิิ์ที่ก็นั่งนั่งอย่างนั้นเราก็บอกไม่ว่าอะไรลักว่าไปเถอะนั่นเถอะก็นึกว่าการใช้บริขารในลักษณะทนุถนอมก็คงไม่จำเป็นจะต้องออสมบูรณ์ทุกคราวไปผอเหมาะพอควรในบรรยากาศที่เป็นกันเองก็ถือว่าฟังได้แล้วก็เรียบร้อย หรือแม้แต่การเทศการบรรยายอบอรมต่างๆก็เหมือนกันเรือต่อไปนี่เราต้องยอมอย่างในกรณีของการพระฉันข้าวและโยก็รับประทานอาหารพร้อมกันตอนนี้ก็พบมากในที่ต่างๆแล้วก็ดีนะฮะแต่ว่าพวกาวตรกรรมฐานแล้วลุกศิษย์จะไปแย่งอาหารที่หลวงพ่อ หลวงพ่อก็ว่าหลวงพ่อเสกข้ามขลังแย่งกันแต่ว่าในที่ทั่วทัวไปเราจะเห็นว่าเอออย่างนี้มันก็ถูกต้องเหมาะสมแต่พระเอกไม่ไปกล้าแสดงความคิดความเห็นอะไรเขาะแต่ก็จะทํำยังไงก็ทําทีนี้การเทศกันอะไรเนี่ยโยมก็ควรจะนั่งเก้าอี้นั่งให้สบายแล้วควรพนมมือเมื่อตอนเริ่มตน้นแล้วก็นั่งวางอิริยาบถสบาย แล้วก็พนมมอีกทีหนึ่งตอนหยุดมันก็ควรจะมีเท่านั้นอย่างพระฟังปาดิโมกเนี่ยนะฮะปาดิโมกก็ประมาณอย่างน้อยก็สี่สิบห้าสี่พันนาทีเรานั่งพนมมืออย่างนั้นพนมมือนานๆทีก็เมื่อยมันก็ต้องปล่อยมือลงข้างตัวบ้างแต่ก็สรุปว่า ความเปลี่ยนแปลงในสังคมสงนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสทางวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆเราดูตั้งการห่มจีบอรอะไรตออะไระหนของพระที่จริงก็เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนไปเยอะอย่างต่างจังหวัดเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกพาดควายอันจับสองมุมแล้วก็พาดสองบาทสัตว์ไปหลังทีงไปหน้าที เร่งก็เรียกโคมจีวรแล้วเราแสดงว่ามีรูปแบบมากทีนี้ตนนมือไปไปทางท่านระ菩าริบุตรแล้วก็กล่าวกับท่านระ菩าริบุตรว่าท่านสาริบุตรเมื่อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้าท่านสาริบุตรเมื่อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้า เป็นภาษาที่แปลกแต่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเข้าใจท่านเรียนภาษานิบุตรได้ทราบว่าถ้าเนเข้าใจเรื่องที่ภาษานิบุตรได้กล่าวไว้เนี่ยแต่ท่านฟังลองสังเกตว่าบางที่สาเพิ่งบวชในตอนนั้นบวชใหม่ๆภาษาดิบุตรเป็นพระเถระผู้เท่าแล้วเดียวกว่ารุ่นครูบาอาจารย์แต่ว่าการพูดเนี่ยมันดูคล้ายๆกับ ไม่ค่อยมีสมาคะละวะเท่าที่ควรคือพระสมัยโบราณเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยท่านเรียกท่านเรียกปนเปกันไปตามปกติและคําว่าพันเตเนี่ยผู้น้อยเรียกผู้ใหญ่นี่ก็พันเตแปลว่าท่านผู้เจริญหรือใต้เท้าพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าพระคุณอะไรก็แล้วแต่แปลเป็นภาษาไทยได้เยอะ แต่ว่าพระนี่จะใช้พันเตคําเดียวทีนี้ถ้าผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยก็เรียกว่าอาวุโสแปลว่าคุณแปลว่าเธอแต่ทุกวันเราเอามาใช้สลับนะฮะเราใช้สลับกันอาวุโสเนี่ยเนื่องจากท่านแปลว่าผู้มีอายุผู้มีอายุในที่นี้ก็คือคุณคือเธอคือเองคืออะไรเนี่ยภาษาที่ผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยกว่า เลยวันนี้เราก็มีตาแหน่งราชดอนอภิโสอะไรต่างก็แปลกดีกันนะฮะก็แปลกดีกันอิหิงสาแปลว่าไม่เบียดเบียนอโหสิไม่ได้มีแล้วไม่รู้หมายความยังไงอิหิงสาแปลว่าความไม่เบียดเบียนอโหสิแปลว่าไม่ได้มีแล้วก็หมายความมีการเบียดเบียนเขาก็ใช้กันแพร่หลายเรียกว่าผิดก็กลายเป็นถูกไป คำกล่าวตรงนี้ให้เราสังเกตว่าเป็นการกล่าวในยุคก่อนก่อนพระพุทธเจ้าจะประนิพานเนี่ยคำพูดยังพูดในลักษณะนี้อยู่พระเจ้าจึงรับสั่งพอต่อไปพระผู้ใหญ่เรียกพระผู้น้อยให้เรียกว่าอาวุโสพระผู้น้อยเรียกพระผู้ใหญ่ให้เรียกว่าพันเตอย่าเรียกปนเปกันอย่างนี้ในสุดเราก็ใช้กันมาอย่างนี้ตลอด พระสารีบุตรท่านก็กล่าวว่าเมื่อความนั้นจงแจมแจ้งแก่ท่านเถิดท่านวังคีสะหมายความพระทวังคีสระในขออนุญาตเพื่อจะกล่าวยกจ้องสัรเสริญเป็นฉันท์พระสารีบุตรก็อนุญาตพระวังคีสะก็ได้กล่าวสันเสริญพระสารีบุตร ด้วยคาถาความว่าภาษาริบุตรเป็นนักปราดนักปราดคือผู้ที่มีปัญญาปรากฏนักปราดนั้นจะต้องเอาตัวรอดด้วยผู้ต้องเอาตัวรอดวันกอนได้ยินท่านนายกปาสกฐาอะไรนะผู้จาา่าภาษาสมัคร กวางเกี่ยวกระสุนทอนผู้ก็ไปยกเรื่องพระภัยมณีตอนที่ฤาษีจากเกาะฤาษีจะกเกาะกแก้วพิสดารมาช่วยสุดสาครที่ตอนชีเปือยพักก็เขว่ปะปัดเดียวเสียงเงีง่ยง่างวังเวงแววสะดุ้งแล้วเลียวแหล่จะไงฮะเห็นโวคีขี่รุ้งกุ้งออกมาท่านก็ตั้งใจคล่องใจประเด็นนี้ที่จริงก็น่าจะคล่องใจะนะฮะ ประเด็นนี้ไม่แปลกหรอกแต่ว่ามันมีประเด็นที่ข้างหลังรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเป็นการถกเฉียงเป็นการแสดงความเห็นมานานแล้วสมัยมาเป็นเด็กเด็ ก, ก็เคยได้ยินหมายความคัดค้านว่าสุนทรผู้สอนให้คนเห็นแก่ตัวไม่เอาตัวรอดให้คนเห็นแก่ตัวคือถ้าคําเต็มเต็มเนี่ยเรียกว่า ช่วยตัวเองให้รอดเพราะว่ามันเป็นการสอนที่ต่อเนื่องมาจากตอนสุดสาครออกจากเกาะแก้วพิสดารเนี่ยมาเจอผีดิบสิบโกดมาเจอพวกอะไรต่างๆแล้วฤาษีต้องมาช่วยมาเจอก็ชีเปลือยอีกก็ถูกชีเปลือยหลอกอีกไม่มีปัญญามากพอที่จะวินิจฉัยคนตัดสินใจคนไม่ใช่ว่าสอนให้เห็นแก่ตัว แต่สอนให้ช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆพูดถึงภัยอันตรายแล้วก็ต้องเมื่อเผชิญกับภัยอันตรายแล้วต้องเอาตัวเองให้รอดแม้จะช่วยคนอื่นก็ต้องช่วยตัวเองให้รอดก่อนถ้าเราช่วยตัวเองยังไม่ได้เราช่วยคนอื่นได้ยงไงสมัยหลังเหตุการณ์14ตุลาเนี่ย ไ, ไปบรรยายที่ตอนนั้นเขาเป็น เ ป, เป็นวิทยาลัยครูมีนักศึกษารศึกษาเยอะมากนั้นมีคนหนึ่งเป็นตัวแทนออกมาว่าจะขอสักถามปัญหาท่านเอาที่ถามก็ถามแต่มีข้อแม่นะบางอย่างฉันไม่เข้าใจเนะี่ยฉันถามเธอด้วยนะไม่เข้าใจคำถามของเธอเนะี่ยฉันต้องถามเธอด้วย แล้วเมื่อยุติด้วยเหตุผลแล้วถือต้องหยุดไม่ใช่ว่าเฉียงข้างๆ ข, ข, ขู่ๆตกลงก็ถามกันไปเยอะมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่จะถามไปเยอะเราที่จริงถามกันถามได้กันเราถามว่าคนเวรนี้เห็นแก่ตัวมันจะต้องเห็นแก่ส่วนรวมแต่คนสมัยนี้มันส่วนตนนิยมมากไปไม่มีใครเห็นประโยชน์ส่วนรวมประเด็นส่วนรวมนิยมส่วนตนนิยมตอนนั้นเป็นแฟชั่นมา มาก็ถามเวนีิเธอกำลังทำอะไรเรียนฝึกหัดครูรยืนอยู่ชั้นไหนแกก็บอกฉันไอคิดว่าต่อไปจะประกอบอาชีพอะไรจะทําประโยชน์แกโยาวชนจะสั่งสอนโยชนไปปลอไปเลยนะท่องคล้องมาเลยแล้วบอกเว น, นเนี้ยเธอกําลังทําประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนคนอื่นเอาก็ต้องทำประโยชน์ส่วนตนก่อนสิไม่งั้นจะไปสอนเด็กได้ยังไงก็บอกว่าใช่ จริงๆต้องทำประโยชน์ตัวเองได้ก่อนจึงสอนบุคคลอื่นทีหลังเหมือนคนจะช่วยคนว่ายน้ำเนี่ยเราต้องฝึกว่ายน้ำไม่ได้ซสก่อนไม่ใช่เราก็ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วลงมาช่วยคนมันก็ช่วยให้ตายเพิ่มขึ้นคำพูดมันอาจจะหรูหรอกแต่มันไม่จริงเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อไอ้คาคาบางคำที่เราไม่ได้คิดได้ดีเส ก, ก่อนเนี่ยมันโก้ส่วนรวมรถยนต์ส่วนต้นยนต์ยโก้ แต่ว่าถามปฏิบัติยังไงจึงจะเรียกว่าเป็นคนประเภทส่วนรวมนิยมต้องให้เขาช่วยคนอื่นได้ก่อนแล้วเขาไม่ช่วยนั้นแสดงว่าเห็นแก่ตัวแต่เมื่อเขาไม่อยู่ในวิสัยที่จะช่วยได้เนี่ยเราะทำยังไงเหนคนตัวเขวไปอย่างเงี้ยเราทางไง แล้วจะกระโดดลงไปช่วยหรือจะทำยงไงเชือกเชือกก็ไม่มีตั้งยังไได้ถึงจะช่วยได้มันก็ช่วยศพขึ้นมามันก็ช่วยคนไม่ได้หรอกกระผมกระทปรากฏว่าได้ตอบคําถามเดียวเ ก, กลบไปไหนไม่รู้ลบไปเสเลยก็เลยกระจุกก็เลยก็ได้บญญรรยายปาทกษาแกถามก่อนจะปาทกถานีเขาแสดงว่าตอนนั้นก็กเพื่อน เป็นนักปราศนักปราศนี่ก็เป็นคําเดียวกับคำว่าสัตวบุรุษคําว่าบัณฑิตคําว่าเมธีคำว่าเมตตาคํ า, าคว่าวินยูชนอะไรเนี่ยแต่นักปราศจะเน้นไปที่ปัญญามีปัญญามีไหวพริบมีปฏิภาณเดี๋ยวฉลาดจฉลี่ยเฉียบแหลมฉลาดเฉลียวไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียวแต่ก็มีเฉลียวมีไหวพริบมีปฏิภาณในการมอง จริงทั้งหลายที่ตนได้สัมผัสในขณะนั้นๆั้นภาษานิบุตรแน่นอนรองจากพระพุทธเจา้าคือเรื่องหนักหนักยกเว้นพระพุทลเจ้าแล้วก็คือภาษานิบุตรแหละจะไปแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เรื่องยากยากเช่นเรื่องวิสุ ท, ท 7, สธิเจตภาษานิบุตรนี่แหละก็เป็นคนแสดงเป็นคนคุยกัน พระพุทธนามันตันนิบุตรธรรมะคำสอนที่ภาษ า, าริบุตรสอนไว้จะเป็นธรรมะที่ค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากเขามากๆเช่นว่าจุลนิเทศมานิเทศปรสามิทามัติแต่ละเรื่องนี่ยากแค่นั้นตเรถึงอภิธรรมก็มีการพูดว่าเป็นการรัจนาของภาษาดิบุตร มาเองยังคิดว่าน่าจะเป็นอาจจะชื่อสารยบุตรนั่นแหละแต่ว่าน่าจะเป็นรุ่นหลังเพราะเวลามันผ่านมาตั้งสามร้อยกว่าปีนะฮะมาตั้งประมาณสามร้อยปีแหละแต่ว่ามันก็คัดคะนนอะไรไม่ได้อกก็ต้องยอมรับไปตามที่ว่าพราต่างคนต่างก็เกิดไม่ทันมีปัญญาที่ลึกซึ้งปัญญาที่อย่างรู้สิ่งทั้งหลาย ตามความเป็นจริงพระสาริบุตรได้เคยโต้ตอบศาสสวัถะก็อย่างน้อยก็สองคราวนะฮะไ ด, ได้ได้โต้ตอบในเรื่องหรกนี้และในที่สุดคนเหล่านั้นก็พ่ายแพ้ตอบท่านด้วยการถามปัญหาเพียงประโยคเดียวและคนเหล่านั้นก็ตอบไม่ได้ นั้นก็แสดงว่าความรอบรู้ในทางโลกของท่านเนี่ยรับรู้แตกสานมากแต่ข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะว่าคนเราบางทียังไม่ถึงคราวเียังนึกถึงภาษาริบุตรเอเรียกว่าไม่คราวเนี่ยมันน่าจะสังเข็มคือท่านเป็นทรัพย์สมบัติร่ารวยมากตระกูลของท่านกับ ส ก, กูลของพระโมคคัลลานะสกูลของท่านตสกูลพระโมคคัลลานะแล้วก็ะกูลของเพื่อนอีกสองคนมีทรัพย์สินเงินทองหกร้อยห้าสิบกุมหาสาลมากๆจกท่านเรียนจบเร็วตั้งแต่เป็นหนุ่แต่ว่าเที่ยวหาความสำรานด้วยการดูการแสดงมรารสน ตอน ต, อน ต, อนตอน้นๆเขาก็สนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงนั่นแหะต่วันหนึ่งบารมีท่านแก่กล้าขึ้นท่านมองเห็นถึงสัจจะแห่งชีวิตว่าชีวิตคนเราแต่ละคนในที่สุดก็จบลงที่ความตายใน่สุดทั้งผู้แสดงผู้ดูมันก็ชวนกันตายแต่ก็หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ ก็ทำให้เกิดเบื่อนหน่ายไม่เกิดสนใจพอใจไม่ยิ้มไม่สแสดงการสนใจพิเศษอะไรแล้วเมื่อออกมาปรากฏว่าพระโมคล ค, โมคลาณะเองคือโมคคัลาณะือโกนิตะตอนนั้นก็เหมือนกันก็ปรึกษาพูดคุยปรากฏว่าความคิดมันตรงกันแต่จึงใจได้ขาดออกบทเลยนั่นเราจะเห็นว่าปัญญาลึกซึ้ง ไม่ใช่คนธรรมดานะอย่าลืมว่าเป็นทายาทของครอบครัวที่มีเงินถึงหกร้อยห้าสิบโกโ1หนึ่งเท่ากับสิบล้านล้านหนึ่งเท่ากับสิบแสนเส้นหนึ่งเท่ากับสิบหมืน่นะลองคิดดูกันทั้แก่ของเงินมันเท่าไหร่จะหาประหนานะฮะมันไม่ใช่ว่าเป็นเงินบาทหรือเงินกีบหรือเงินจาร์อะไรต่ออะไร เงินมหาศาลนะถ้าปัญญาไม่ลึกซึ้งพอและติดเงินแน่นอนเลยเพราะฉันจะลืมประการที่เรามองเห็นโทษของทรัพย์สินเงินทองมองเห็นโทษของการมีครอบครัวเงี้ยอย่างที่พระพุทธเจ้าสมมองเห็นสมบัติพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ ยศศาสตร์บุญองคุมองการเป็นเศรษฐีเป็นเรื่องที่น่ารังเก์ยิ่งใหญ่มากปัญญาลึกซึ้งมากก็เห็นได้ยังไงหมายความว่าโมหะมันลดปัญญามันเพิ่มทีนี้พอปัญญาเพิ่มเนี่ยโลภะก็ลดราคะก็ลดโทสะก็ลดให้ลองสังเกตถอ อะไรก็ตามที่เรารู้ว่ามันมีคุณมีโทษยังไงนี่มันมีโทษยังไงนี่เราไม่อยากได้เราไม่อยากจะเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้แสดงอะไรแสดงว่าโลภะมันลดทีนี้เรื่องของการแต่งงานมีครอบมีครัวเป็นฝังเป็นผาเป็นหลักเป็นฐานะอะไรไรก็ตามเราลองนึกดูว่าคนรุ่นพุทธกาลหรือแม้แต่พระเราสมัยปัจจุบัน ถ้าเราส่วนใหญ่เป็นพระที่ไม่เคยผ่านชีวิตครองเรือนมาบวกกันแต่เล็กจะน้อยบวกรกันแต่เน็มบวกแล้วก็เรียนเรื่องเหล่านี้เรื่องโทษของกามากุลทั้งหลายเนี่ยเรียนกันมาสะสมกันมาถ้าใจมันเข้าถึงได้ลึกซึ้งชัดเจนมากพอท่านก็ไม่สึก แต่ไม่ถึงก็หมดกิเลสหรอกเพียงแต่ว่ากำกับควบคุมจิตใจตัวเองไว้ได้ไม่ให้รู้อำนาจแกกิเลส ท, ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นท้วั้งก็อยู่มาจนจนท่าจนแก่ประวัติของพระเทราบังรูปที่เรารู้จักที่เราคุ้นเคยนี่นะฮะ ร, รูป น, าน่าดูไปเชิญศึกกับเรื่องเหล่านี้น่านดู แต่ก็ตั้งก็ผ่านวิกฤตมาได้นั้นแสดงใหเหเห็นว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็าตามถ้าเห็นโทษในเรื่องหลอดนี้ผู้หญิงเยอะที่สมัครใจจะอยู่เป็นโสูตรแสดงว่าลึกๆนี่ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการมีเรือนมีครอบมีผัวดังนั้นปัญญาพอมันเกิดแล้วมันมันมันจะลึกลงไปลึกลงไปแล้วมันส่อง ส่งเข้าสู่จิตลึกๆเราลองดูสังเกตพอท่านคิดเนี่ยท่านคิดถึงสังสารวัฏเลยเอ๊ะอยู่ไปทําอะไรเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายคิดเหมือนพระพุทธเจ้านะฮะคิดเหมือนกับที่เจ้าชายจิตตถะคิดเจ้าชายจิตตถะนั้นดูสาวสรรกำนานในซึ่งนอนหลับ แต่ภาษาริบุตรนะ่ะดูสาวที่แสดงการไร้รำต่างๆอยู่อย่างที่ก็ยกตัวอย่างพระสุนทรสมุทรพระสุนทนกรก็บุกก็ดูดูสาวที่เตรียมยั่วยวนท่านโดยเฉพาะเลยโดยมายาสตรีสี่สิบแปดวิธีเดยกันปัญญาทะลึกซึ้งขนาดไหน ท่านมองทะลุมายาทั้งปวงเข้าไปสู่เรือนร่างที่เป็นโครงกระดูกผ่านเสื้อผ้าผ่านเนื้อผ่านใดๆ ต, ต่างๆไปเห็นได้โครงกระดูกนั่นเนี่ปัญญามันลึกซึ้งด้วยผลบางทีเพ้นผมกนสมาธิพระเทรสรูปหนึ่งจเจริญอภิกัสัญญาคือมองร่างกายเป็นร่างกระดูก แล้วก็เดินจงกมรมพอดีผู้หญิงคนหนึ่งก็ทะเลาะ ก, กับสามีก็ห น, นีผ่านมาทางนั้นก็เห็นผ้าเดินจงกรมเฉยไม่หันมามองกันเลยเลยก็เลย ก, กห็หัวเราะหัวเราะไม่ย่ะเย้ยหรือยำหยันหรือว่าถากถางอะไรก็ไม่รู้เธอแหละแต่สรุปว่าไม่ได้เจตนาดีแล้ว พระเทวะก็หันไปดูแต่ว่าในขณะหันไปดูท่านเห็นฟันนะะเห็นที่ฟันก่อนแล้วก็มองปลาดเดียวเป็นร่างกระดูกตกลงมาท่านไม่รู้ว่าใครไปสามีก็เดินผ่านมาก็สอบถามว่าพระกุณเจ้าเดินแถวแถวแถวนี้เห็นผู้หญิงเดินผ่านมาบ้างไ้ยท่านบอกว่ามีนะแต่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ทราบเห็นแต่ร่างกระดูกร่างหนึ่งมันมันเดินผ่านไป เึงแม่ปัญญามันลึกซึง้งเหลือตัวอะไรสร้างอ่ะสมาธิเป็นตัวสร้างจิตมันสงบจิตมันมีสติแล้วลึกรู้อยู่กั บ, บอารมณ์กรรมฐานที่ท่านกำลังพิจารณาโดยอธิกะสัญญาพิจารณาในเรื่องโครงกระดูกตัวกระดูกที่จริงไม่ปรากฏกอ่แต่พอดีฟันของผู้หญิงที่ยิ้มมันเป็นมันเป็นกระดูกก็เรียกเกสารโลมาณาขาตันตาตะโจนะฮะคือ ประจัปัญจกะกรรมฐานเขาเรียกว่าพระขันธ์ทางห้าเล่มที่จะต่อสู้กับมรมุมซึ่งหมากระทบพระศาาริบุตรนั้นถ้าเรามองไม่ไม่ต้องเอาตอนท่านเป็นพระอระหันต์แต่ตอนท่านเป็นพระหรันก็คือพระอระหันต์แต่ว่าตอนที่เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งคื อ, อยังนึกดูว่าตอนนั้นท่านจบนี่การศึกษาไอ อายุไม่น่าจะมากเพราะเราจะลืมนะฮะว่าพระสารีบุตรนั้นเป็นพระรุ่นแรกไม่ใช่รุ่นแรกแรกนะะรุ่นแรกแรกก็ในปีที่พระเจ้าสัตรุนั่นแหละก็ประมาณสักเจดเดือนถ้ารวมเราประมาณเก้าเดือนนะฮะตั้งตั้งแต่ศัตรุมากกประมาณเก้าเดือนสารีบุตรเข้าไปสู่ธรรมนิยายแต่พระสารีบุตรอยู่กันไปจนปีที่ สี่สิบห้าย่างสี่สิบห้าย่างเพราะว่าท่านนิพานกลางเดือนสิบสองพระพุทธเจ้านิพานกลางเดือนหกห่างกันก็หกเดือน ก, ก็ท่นานไปโปรดแม่นะเราแสดงวาแม่ของท่านก็คงจะอายุก็คงจะเยอะแล้วอาจจะถึงร้อยกว่าหรือทั้งไป เพราะว่าภาษาริบุตรก็อายุก็คงจะคงจะไม่น้อยแล้วเพราะว่าอย่าลืมตรงปีที่มันสี่สิบห้าปีสีสห้าปีตรงนี้ตีใช่ว่าสมมติว่าท่านตอนท่านจบใจเพศตอนท่านออกบวตอายุยี่สิบก็แสดงหกสิบห้าละหกสิบห้าแม่ของท่านก็ต่อไปอีกส1ยี่สิบหนึ่งะฮะก็เป็นแปดสิบห้าละก็ไปบรรลุมขนพปะโสดาบัย เพราะประเด็นที่ที่หน้าที่หน้าทึ่งก็คือว่าการมองเงินเป็นเศษกระดาษแล้วก็ไปตรงกาสุมเมธดาวบุตรสุมเมธพรามที่ตอนพระโพธิสัตว์เราเกิดเป็นสุมเมธพรามเนี่ยก็เห็นทรัพย์สมบัติที่สืบท อ, อดกันมาเจ็ดชั่วสกุลเมือนก็เศษกระดาษนี้ยปัญญาไม่ใช่ธรรมดาโลภามันลด แล้วใครเอาของทรัพย์สินของท่านไปท่านไม่โกรธหรอพราโทสามันลดอะและ้วโมหะท่านก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเรือนการชื่นชมตรงนี้ที่นำไปมองตอนเป็นคารวาสเนี่ยเพราะเป็นฐานเป็นฐานสำคัญที่จะนำคนเข้าไปสู่ผลที่มันประนีขึ้นแล้วการออกบวชของท่านก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นปัญญาที่ลึกซึ้งมาก มงคลกำลังเต้นรำไร่รำนะฮะด้วยวิธีการยั่วยวนโดยต่างๆกลายเป็นคนที่กำลังจะตายแล้วก็ฉลาดในทางและไม่ใช่ทางทางก็หมายความไม่ใช่ทางก็คือทางที่ควรเว้นทางเหมือนกันแหละแต่เราไม่ใช่ทางอะไรควรเว้นอะไรควรประพฤติ ธรรมเทศนาที่ภาษาลิบุตรแสดงตรงนี้ท่านไม่ได้บอกรายละเอียดว่าอะไรแสดงเรื่องอะไรเพียงแต่บอกว่าเห็นแจ้งสมาทานอาฐานร่าเริงด้วยธรรมิกถาหรือว่าจาของชาวเมืองแล้วก็สละสลวยไม่มีโทษไม่เครื่องคราดอาจยังผู้ฟังให้รู้เนื้อความได้อย่างแจ่มแจ้ง หมายความมาข้อความที่ท่านแสดงนะแจ่มแจ้งชัดเจนผู้โอกาสที่ผู้ฟังจะบรรลุมรรคผลก็เกิดขึ้นได้ง่ายและท่านก็กล่าวสรรเสริญต่อไปว่าย่อมแสดงธรรมแก่พิกูุทั้งหลายแสดงโดยย่อก็ได้แสดงโดยพิสดารก็ได้รู้สึกคือภาษาในบุตรนี้ท่านท่านสามารถมากคือบางครั้งในข้อความสั้น จะมีความแหลมคมคือคนที่สามารถพูดคำสั้นๆให้กระชับได้เนี่ยถือว่าเก่งไหมอย่ายกตัวอย่างงานพวกอะไรพวกาสารานอะไรต่งตรางๆสารานบางทีเคยเห็นอ่านจาสารของบูริทิมังคุราเทียอะไรท่านเขียนมาทัดนเดียวโอ้แต่มันครอบจักรวาลเลย ครอบงานศึกษางานปฏิบตัติงานเผยแผ่งานดูแลพระศาสนาไว้หรือข้อความสั้นมากแต่กระชับมากเพื่อในการคิดข้อความเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าท่านเหล่านั้นเข้าถึงสาระสำคของเรื่องเหล่านั้นธรรมะลุม่มเล็งกัน คือบางครั้งบางคราวเนี่ยผู้ฟังเขามองเห็นว่าธรรมะที่พูดมันมากเกินไปก็ไม่สามารถปฏิบัติได้หรอกเพราะฉะน้นทำยังไงให้มีวิธีพูดชี้ให้ผู้ฟังเห็นว่าไม่มากแล้วก็สามารถปฏิบัติได้พระสารีบุตรท่านอยู่ในจิตนี้ชี้ทางและทางควรเดินก็ไม่ควรเดินพูดง คือทางนี่มันเป็นทุกขติกับสุกติผู้เดินก็เป็นสุกโตกับทุกโตสุกโตก็คือดําเนินไปดีบนเส้นทางของกุศลกําบดนั่นแหละทุกโตก็คือดําเนินไปชั่วบนเส้นทางของอกุศลกําบดหัวหลักมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะเราจะลืมมาอาริยมรคเข้ามาอยู่ตรงนี้หมดแล้วในโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือมโนสุจริตมันเป็นที่รวมของ สัมมาวายามะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาชีส่วนเจ็ดข้อข้างบนนั้นก็เป็นสัมมากรรมันตะกับสัมมาวาจาสมาชีว่าด้วยนะพระสารีบุตรท่านก็ย่อดได้ขยายได้เวลาขยายท่านขยายลึกซึ้งสมมุติว่าท่านพูดปัญญาคำเดียวนะครึ่งหน้ากระดาษนะ ปัญญาคำเดียวเนี่ยภาษาดิบุตรนิยา ม, มไปเป็นครึ่งหน้ากนาันไดแม้แต่การนิยามคำว่าศีลแปลว่าวิรัตแปลว่างดเว้นแปลว่าสาม ร, รวมระวังแปลว่าไม่ล่วงละเมิดแปลว่าปกติแปลว่าเจตสิกท่านขยายไปได้เยอะเยเพราะฉะนั้นจะต้องมีสมาธิในการอ่านในการทำความกระจ่าย ก็เป็นภาษาที่คมลึกซึ้งเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างที่ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวบนดึงตอนไปโปูดพระพุทธมารดารับสั่งกับภาษาดีบุตรที่ลึกซึ้งมากลึกซึกมากก็เรียกว่าอ่านอ่านเที่ยวเดียวไม่เข้าใจหรือต้องคิดต้องคิดมากแล้วก็เข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน อาจจะพาะเข้าใจนะครับไม่จะถึงก็เข้าถึงท่านบอกว่าเสียงของท่านไพเราะ ด, ดังก้องเหมือนเสียงนกสาลิกาอันนี้ก็เสียงค่อนข้างแปลกนะนกสาลิกาเนี่ยแต่ตามปกติที่ค่อยได้ยินเนี่ยคือเสียงนกกาดเวกเสียงนกกาดเวกอันนี้ก็เป็นนกสาลิกาเราก็ไม่เคยได้ยินเป็นกนะัรเนเสียงนกสาลิกาเป็นยังไงแล้วก็สรุปวนะ่าไพเราะ คือเสียงเนี่ยเสียงมนุษย์เนี่ยอยางวันก่อนได้ข่าวท่านผู้หนึ่งที่ดูเหมือนจะยิงลูกสาวตายแล้วก็ยิงตัวเองตายเคยได้ยินชื่อท่านหลายครั้งได้ได้ยินเสียงนะฮะ โ, โอ้คนนี้เสียงมันมีเป็นทรัพย์จริงๆเเสียงอ่านเอกสารต่างๆบรรยายต่างๆนี่ยมันซึ้งมาก แล้วก็ยากที่จะเจอผู้ชายมีเสียงอย่างนี้รู้สึกจะชื่ออำรุงเกาไยยการนนท์อะไรเนี่ยนะฮะอันนี้คือคือแสดงให้เห็นว่ามันเป็นบุญอย่างหนึ่งเสียงอย่างเดียวนี่กลายเป็นทรา์ได้ทำเงินได้เยอะเลยก็เรียกว่ารับจ้างอ่านกันไ ม, ไม่หวาดไม่ไหวแหละมันสำคัญอย่างยิ่งคือการเข้าถึงจิตวิญญาณของภาษาของเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ย คือเรื่องที่อ่านไม่ใช่เรื่องเดียวกันเพราะถ้าเรายังไม่ทำความเข้าใจไม่ทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระของสิ่งเหล่านั้นให้ดีมันขาดจิตวิญญาณของสารที่เรานำเสนอทีนี้การรับจ้างอ่านหนังสืออย่างเงี้ยมากมายกลายกองหลายเรื่องหลายราวมาจากไหนตอนไหนก็ไม่รู้วาแล้วอ่านยังมีจิตวิญญาณทุกเรื่องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเช่ สมัยเป็นเด็กก็ น, นึกถึงนายแม่นชลาโนเคราหอันนี้ถ้าอา่านเรื่องปฏิวัติรัฐประหารไน้น่ารัน่าดูเด็กคนลุกเลยทรงแสดงมาเป็นผลของบุญญาณิธิสุวรรณตาสุสราตาสุสันธานางสุรูปรตาที่ประจังบริวาโรสัพเบเตนาราปฏิสุวรรณตามีผิวพรรณทีน่นสวยงามสุสราตามีเสียงที่ไพเราะสุสันธานางมีสุดทรงในสมส่วนสุรูปรตามีรูปงาม อธิปัจางคือความเป็นใหญ่ปริวาโรมีบริวารมากเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญนิชิเดชุมทรัพย์คือบุญที่บุคคลเหล่านั้นได้ฟังได้ไ้สร้างเอาไว้ปัจพานเกิดขึ้นโดยไม่รู้สิ้นสุดปัญญาของภาษาริบุตรในหลังไหลดุกระแสคลื่นในมหาสมุทรมันไม่ขาดสายมันต่อเนื่อง จนสามารถที่ท่านคำนวณฝนซึ่งตกลงมาทีละคาวได้ในกี่เม็ดฉันบอกได้นะฮะฝนที่ตกลงมาจำนวนเท่า น, นั้นเม็ดเท่า น, นี้แน่นอนและเราก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกแต่ว่าเมื่อพระหันบอกเราก็เชื่อเท่า น, นั้นเองมันแสดงถึงปัญญาที่ที่เร็วนะคิด ป, ปะปัญโยคือปัญญาไวมาก และท่านก็บอกว่าเมื่อท่านแสดงธรรมอยู่ภิกษุทั้งหลายย่อมฟังเสียงอันไพเราะเป็นผู้ปลื้มจิตยินดีด้วยเสียงอันไพเราะหน้ายินดีหน้าฟังเงี่ยโสดอยู่ดังนี้นี่ก็เป็นคำกล่าวสรรเสริญของพระวังทิสะก็ถือว่าเป็นพระหนุ่มที่มีผลงานโดดเด่นนะฮะเราจะเห็นว่าพระสูที่มาหกสูตรก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระวังทีสะทั้งนั้น ในเรื่องกับท่านด้วยแล้วเรื่องก็พูดถึงพระพุทธเจ้าเรื่องสุภาษิตตสูต ร, รพูดเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องสารีปุตตสูตรก็พูดเรื่องภาษาอีบุตรและนอกนั้นก็เป็นเรื่องของท่านที่เกี่ยวกับการเอาชนะอารมณ์ทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรูปเสียงนะเพราะว่าท่านเห็นรูปผู้หญิงแล้วท่างฟังเสียงผู้หญิงแล้วก็เกิดมีความกําหนัดตามภาษาคนหนุ่มนะะตามภาษาคนหนุ่มไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะว่าในการต่อมาท่านก็เป็นุมากรเป็นประหารแล้วเป็นประหารประเภทที่เรียกว่าเอตตะค่าทีเดียววังกีสะนี่เลิศในปฏิพานคือมีไวพ้พิบปฏิพานท่านขอพรพระพุทธเจ้าว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเนี่ยถ้าท่านนั่งอยู่ด้วยบางวัะสูตรนะฮะบางพระสูตรหมายความว่าท่านเข้าใจลึกซึ้ง แล้วท่านขอขอกล่าวเป็นฉันทลักษณ์อย่างที่ท่านบรรยายวาจาเป็นสุภาษิตซึ่งนื้อาหาสาระแล้วก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ว่าท่านไปมองที่ตูผลนั้นก็หมายความว่าท่านเข้าใจเข้าใจเรื่องความเรื่องเลยเข้าใจเรื่อง มองตัวผลว่าวาจาอะไรก็ตามที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่ทําความเดือดร้อนแก่ตนเองไม่ทำความเดือดร้ร อ, อนแก่บุคคลอื่นไม่ทำความเดือดร้รอนแก่บุคล ค, บออบคลสองข่ายวาจานั้นชื่อว่าเป็นวาจาที่เป็นสุภาษิตต้องฟังเป็นไรเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาพิมพ์ท่านนี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธ ร, รมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโัวกันสวัสดี